แปดสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้มุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นไม่ถูกกรรมและสุตตะนำไป มุนีนั้นไม่ถูกตัญหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายคำว่าไม่ในคำว่ามุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้เป็นคำปฏิเสธคาว่าผู้จบเวตอธิบายว่าญาณิมัคสีตรัสเรียกว่าเวทคือปัญญาปัญญนสีปัญญาภละ ธรรมวิจยะสัมโพชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาติทิฐิมุนีนั้นถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดถึงท้ายสุดบรรลุท้ายสุดถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้องถึงที่หลีกเรน้นบรรลุที่หลีกเรน้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่ง ถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงที่ดับบรรลุที่ดับแห่งชาติชราและมรณะด้วยเวทเหล่านั้นอีกในหนึ่งมูนีนั้นชื่อว่าผู้จบเวทเพราะถึงที่สุดแห่งเวททั้งหลายแล้วอีกในหนึ่งชื่อว่าผู้จบเวทเพราะถึงที่สุดด้วยเวททั้งหลายแล้ว อีกในหนึ่งชื่อว่าผู้จบเวทเพราะรู้แจ้งธรรมเจตประการแล้วคือหนึ่งรู้แจ้งสักกายทิทิสองรู้แจ้งวิจิกิจฉาสารู้แจ้งศิลปตประามาศสรู้แจงราคะห้ารู้แจ้งโทสะหรู้แจ้งโมหะเจรู้แจ้งมานะแล้ว มุนีนั้นเป็นผู้รู้แจ้งบาปอกุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าส a พยะบุคคลวิจัยเวททั้งหมดของสมณพราหมณ์ที่มีอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวททั้งปวงแล้วชื่อว่า คจบเวทคำว่าย่อมไม่ไปด้วยทิฐิอธิบายว่าทิฐิหกสิบสองมุนีนั้นละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วมูนีนั้นไม่ไปไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนําไปด้วยทิฐิทั้งไม่กลับมาไม่หวนกลับมาหาทิฐินั้น โดยเห็นเป็นสาระอีกรวมความว่ามุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิคําว่ามุนีนั้นย่อมไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่ามุนีนั้นย่อมไม่ถึงคือไม่เข้าถึงไม่เข้าไปหาไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นความถือตัวด้วยรูปที่รู้แล้วด้วยเสียงบอกเล่าของผู้อื่น หรือด้วยสมมติของมหาชนรวมความว่ามูนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้คำว่ามูนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นอธิบายว่ามูนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นคือไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นเป็นอย่างยิ่งไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยอานาจตัณหา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 ด้วยเหตุนั้นรวมความว่ามุนีนั้นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐินั้นคาว่าไม่ถูกกรรมในคําว่าไม่ถูกกรรมและสุตตะนำไปอธิบายว่ามุนีไม่ไปคือไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารหรืออนเนญชาพิสังขารรวมความว่าไม่ถูกกรรม คำว่าไม่ถูกและสุตะนำไปอธิบายว่ามูนีไม่ไปคือไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยความหมดจดด้วยสุตะด้วยเสียงบอกเล่าของผู้อื่นหรือด้วยการสมมติของมหาชนรวมความว่าไม่ถูกกรรมและสุตะนำไปคำว่ามูนีนั้นไม่ถูกตัญหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลาย อธิบายว่า mañana. คำว่าการนำเข้าไปได้แก่การนำเข้าไปสองอย่างคือหนึ่งการนำเข้าไปด้วยอำนาจตันหาสองการนำเข้าไปด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการนำเข้าไปด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าการนำเข้าไปด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีนั้นละการนำเข้าไปด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งการนำเข้าไปด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละการนําเข้าไปด้วยหน้าตันหาสลัดทิ้งการนําเข้าไปด้วยหน้าทิฐิได้แล้วมูนีนั้นชื่อว่าไม่ถูกตันหาและทิฐินําเข้าไปคือไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจเชื่อออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องในที่อาศัยทั้งหลายแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า มุนีนั้นไม่ถูกตันหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีผู้จบเวทนั้นย่อมไม่ไปด้วยทิฏฐิไม่ถึงความถือตัวด้วยอารมณ์ที่รับรู้มุนีนั้นผู้ไม่มีตันหาและทิฏฐินั้นไม่ถูกกรรมและสุตตะนำไปมุนีนั้นไม่ถูกตันหาและทิฏฐินำเข้าไปในที่อาศัยทั้งหลายแปดสิบสอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดมุนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วย่อมไม่มีความลุ่มหลงชนเหล่าใดยังถือสัญญาและทิฏฐิชนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลกคำว่ามุนีเว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดอธิบายว่าผู้ใดเจริญอริยมรรค ที่มีสมถะเป็นเบื้องต้นผู้นั้นย่อมข่มกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วตั้งแต่ต้นเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วพระอรหันย่อมละได้เด็ดขาดทั้งกิเลสเครื่องร้อยรัดโมหะนิวรณ์กามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาและทิฏฐิสัญญาตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รวมความว่ามุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดคำว่ามุนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วย่อมไม่มีความลุ่มหลงอธิบายว่าผู้ใดเจริญอริยมรรคที่มีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นผู้นั้นย่อมข่มความลุ่มหลงได้ตั้งแต่ต้นเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วพระอรหันย่อมละได้เด็ดขาดทั้งโมหะ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 ชนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลกอธิบายว่าชนเหล่าใดถือสัญญาคือกรรมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาชนเหล่านั้นย่อมกระทบกระทั่งกันคือทำร้ายกันด้วยอำนาจสัญญากล่าวคือพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กษัตริย์วิวาทกับกษัตริย์ก็ได้พราหมณ์วิวาทกับพราหมณ์ก็ได้ ข้าพเดีวิวาสกับข้าพเดีก็ได้มารดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับมารดาก็ได้บิดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่สาวน้องสาวก็ได้ พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้สหายวิวาทกับสหายก็ได้ชนเหล่านั้นก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแก่งแย่งและก่อการวิวาทกันก่อการมุ่งร้ายเพราะสัญญานั้นก็ทําร้ายกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศัตราบ้างเพราะทําร้ายกันนั้นชนเหล่านั้นก็เข้าถึงความตายบ้าง ลูกตางตายบ้างชนเหล่าใดเถือทิฐิว่าโลกเที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ชนเหล่านั้นย่อมกระทบกระทั่งกันคือทําร้ายกันด้วยอํานาจทิฐิได้แก่การกระทบกระทั่งคือทําร้ายศาสดาโดยศาสดาทําที่ศาสดากล่าวสอนโดยทาที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะโดยหมู่คณะ ทิฏฐิโดยทิฏฐิปฏิปทาโดยปฏิปทามักโดยมักอีกในหนึ่งชนเหล่านั้นย่อมวิวาทกันคือก่อการทะเลาะก่อการบาดหมางก่อการแก่งแย่งก่อการวิวาทก่อการมุ่งร้ายกันว่าท่านไม่รู้จักธรรมวินัยนี้หรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดชนเหล่านั้นยังละอภิสังขารไม่ได้เพราะยังละอภิสังขารไม่ได้ จึงกระทบกระทั่งกันในคติกระทบกระทั่งกันในนรกกระทบกระทั่งกันในกำเนิดเดรชากระทบกระทั่งกันในเปตะวิสัยกระทบกระทั่งกันในมนุษยโลกกระทบกระทั่งกันในเทวโลกกระทบกระทั่งกันคือทำร้ายคติด้วยคติการเถือกําเนิดด้วยการเถอกําเนิดปฏิสนธิด้วยปฏิสนธิพบด้วยพบสงสารด้วยสงสารวัตตะด้วยวัตตะ ได้แก่เที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปกระทบกระทั่งกันคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษเซยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่าชนเหล่าใดยังถือสัญญาและทิฐิชนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลก ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีผู้เว้นจากสัญญาแล้วย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดมูนีผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วย่อมไม่มีความลุ่มหลงชนเหล่าใดยังถือสัญญาและทิฐิชนเหล่านั้นย่อมเที่ยวกระทบกระทั่งกันในโลกมาคันทิยะสุตตันนิเทศที่๙จบ ปราเพทสุตานิเทศอธิบายปูราเพทสูตรว่าด้วยครอนการดับขันธปรินิพานพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายปูราเพทสูตรดังต่อไปนี้8ปบสพระพุทธเนรมิตรทูล ถ, ถามว่าบุคคลมีทัศนะอย่างไรมีศีลอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วข้าแต่พระโคตมะ ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดว่าด้วยคำถามของพระพุทธเนรมิตรคำว่ามิทัศนณะอย่างไรในคำว่าบุคคลมิทัศนณะอย่างไรมีศีลอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วอธิบายว่าบุคคลประกอบด้วยทัศนะอย่างไรคือมีจุดยืนอย่างไร มีท่าทีอย่างไรมีแนวเทียบอย่างไรรวมความว่ามีทัศนะอย่างไรคําว่ามีศีลอย่างไรอธิบายว่าบุคคลประกอบด้วยศีลอย่างไรคือมีจุดยืนอย่างไรมีท่าทีอย่างไรมีแนวเทียบอย่างไรรวมความว่ามีทัศนะอย่างไรมีศีลอย่างไรคําว่าจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วอธิบายว่า จึงตรัสเรียกคือกล่าวพูดบอกแสดงชี้แจงว่าเป็นผู้สงบแล้วระ ง, งับแล้วเย็นแล้วสงดแล้วพระพุทธเนรเม ท, ทูนถามถึงอธิปัญญาด้วยคำว่ามีทัศนะอย่างไรทูลถามถึงอธิศีนด้วยคำว่ามีศีลอย่างไรทูลถามถึงอธิจิตด้วยคำว่าเป็นผู้สงบแล้วรวมความว่า บุคคลมีทัศนะอย่างไรมีศีลอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วคำว่าโนรชนนั้นนึ่งคำว่าค่าแต่พระโพตมะเพระพระองค์โปรดตรัสบอกโนรชนนั้นแก่ข่าพระองค์เถิดอธิบายว่าข่าพระองค์ทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศโนรชนใด พระพุทธเนรมิตรเรียกพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าโดยพระโคธว่าพระโคตมะคําว่าโปรตรัสบอกอธิบายว่าโปรตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายทรงประกาศรวมความว่าข้าแต่พระโคตมะพอพระองค์โปรดตรัสบอกนรชนนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด คำว่าทูลถามแล้วในคําว่าข้าพระองค์ทูลถามแล้วนรชนผู้สูงสุดอธิบายว่าข้าพระองค์ทูลสอบถามทูลถามแล้วทูลขอแล้วทูลอัญเชิญแล้วทูลให้ทรงประกาศแล้วคําว่านรชนผู้สูงสุดอธิบายว่านรชนผู้ยอดเยี่ยมประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่า ข้าพระองค์ทูลถามแล้วนรชนผู้สูงสุดด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตรนั้นจึงทูลถามว่าบุคคลมีทัศนะอย่างไรมีศีลอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้สงบแล้วข้าแต่พระโคตมะข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรตรัดบอกนรชนผู้สูงสุดนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดแปสิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ ก่อนดับขันธปรินิพานพระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหาไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นใครๆกําหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลางพระอรหันต์นั้นไม่ได้มุ่งหวังถึงตัณหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายอธิบายคําว่าพระควาคําว่ า, วาก่อนดับขันธปรินิพานพระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหาอธิบายว่า ก่อนกายแตกก่อนอัตภาพแตกก่อนการทิ้งซากศพก่อนการขาชีวิตดิ้นรีพระรหันเป็นผู้คลายตันหาแล้วคือปราศจากตันหาแล้วสละตันหาได้แล้วคลายตันหาได้แล้วปล่อยตันหาได้แล้วและตันหาได้แล้วสละทิ้งตันหาได้แล้วคือเป็นผู้คลายความกำหนัดแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะได้แล้ว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 อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเนสนาชนะที่เป็นป่าละมาะและป่าทึบอันสงดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลึกเร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบินทบาท่เาเสนาชนะ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 ปฏิสัมพิทาสี่อภิน ญ, ญาหกพุทธธรรมหจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระผู้มีพระภาคนี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้ ง, ม, าา ง, งมิใช่พระพาดาทรงตั้ ง, ม, ม, ม, งมิใช่พระพักกินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมตะตั้งมิใช่พระญาตและผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้ง คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติปนามเป็นสัจจกราบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญตญาณที่โคนต้นโพ ร, รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ก่อนดับขันธปรินิพานพระอรหันต์เป็นผู้คลายตัณหาคำว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้น อธิบายว่าอดีตการตรัสเรียกว่าส่วนเบื้องต้นพระอรหันต์ปรารพอดีตการละตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละตัณหาสลัดทิ้งทิฏฐิได้แล้วพระอรหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่ง พระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู Track, Atlantic, ่ก่อนนั้นว่าในอดีตการเราได้มีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้พระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตการเราได้มีวิญญาณอย่างนี้พระอรหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งพระอรหันย่อมไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตการเราได้มีตาเช่นนี้เห็นรูปเช่นนี้จึงไม่เพลิดเพลินตาและรูปนั้นเพราะเป็นผู้ไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะพระอรหันจึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นเพราะไม่ใยดีในตาและรูปนั้นอย่างนี้บ้าง พระอาหารหันต์ไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตกาลเราได้มีหูเช่นนี้ได้ยินเสียงเช่นนี้เราได้มีจมูกเช่นนี้ได้กลิ่นเช่นนี้เราได้มีลิ้นเช่นนี้รู้รสเช่นนี้เราได้มีกายเช่นนี้สัมผัสกับโธพะเช่นนี้พระอรหันต์ย่อมไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราคะที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ในอดีตการเราได้มีใจเช่นนี้รู้ธรรมารมเช่นนี้จึงไม่เพลิดเพลินอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนั้นเพราะไม่มีวิญญาณเกี่ยวเนื่องด้วยฉันทราะะคะพระอรหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นเพราะไม่ใยดีในใจและธรรมารมนั้นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่ชื่นใจไม่ใยดี ไม่ถึงความปราบปลื้มใจด้วยการหัวเราะการพูดจาการปราศัยและการเล่นหัวกับมาทุคามในครั้งก่อนแม้ด้วยประกาศและอย่างนี้พระอระหันต์จึงชื่อว่าไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินที่มีอยู่ในส่วนเบื้องต้นคาว่าใครๆกําหนดไม่ได้ในส่วนท่ามกลางอธิบายว่าปัจจุบันาการตราดเรียกว่าส่วนท่ามกลาง พระอรหันต์ปร า, า ร, ปราบปัจจุบันาการละตันหาได้แล้วสลัดทิ้งทิฏฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละตันหาสลัดทิ้งทิฏฐิได้แล้วใครๆจึงกำหนดไม่ได้ว่าเป็นผู้กำนัดเป็นผู้ขัดเคืองเป็นผู้หลงเป็นผู้ยึดติดเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเป็นผู้ลังเลเป็นผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสพระอรหันต์ละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละอภิสังขารได้แล้วใครๆจึงกําหนดไม่ได้โดยคติว่าเป็นผู้เกิดในนรกเป็นผู้เกิดในกําเนิดเดรฉานเป็นผู้เกิดในเปตตวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผู้มีรูปเป็นผู้ไม่มีรูปเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสัญญาหรือเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่พระอรหันต์นั้นจะพึงกําหนดด้วยเหตุปัจจัยและการใด เหตุปัจจัยและการนั้นไม่มีรวมความว่าใครๆกาหนดไม่ได้ในส่วน่้ำกลางว่าด้วยความมุ่งหวังสองอย่างคำว่านั้นในคำว่าพระอรหันต์นั้นไม่ได้มุ่งหวังตัณหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่าความมุ่งหวังตัณหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แก่ ความมุ่งหวังในส่วนเบื้องปลายสองอย่างคือหนึ่งความมุ่งหวังด้วยอำนาจตันหาในส่วนเบื้องปลายสองความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายนี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจตันหาในส่วนเบื้องปลาย 3. นี้ชื่อว่าความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายพระอรหันต์นั้นละความมุ่งหวังด้วยอำนาจตันหาในส่วนเบื้องปลายได้แล้ว สลัดทิ้งความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แล้วเพราะเป็นผู้ละความมุ่งหวังด้วยอำนาจตันหาในส่วนเบื้องปลายสลัดทิ้งความมุ่งหวังด้วยอำนาจทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายได้แล้วพระอรหันต์จึงไม่เที่ยวมุ่งหวังตันหาหรือทิฏฐิคือไม่มีตันหาเป็นธงชัยไม่มีตันหาเป็นยอดธงไม่มีตันหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฏฐิเป็นยอดธง ไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่ไม่ถูกตันหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไปรวมความว่าพระอรหันต์นั้นไม่ได้มุ่งหวังตันหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายอีกในหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้ พระอระหันย่อมไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจคันว่าในอนาคตการเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้พระอระหันนั้นจึงชื่อว่าไม่มีความมุ่งหวังเบญจคันในอนาคตการอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระอระหันย่อมไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้ตาและรูปที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีตาเช่นนี้เห็นรูปเช่นนี้ เพราะไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอรหันต์จึงไม่เพลิ États เพลอเพลินตาและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิอเพลินตาและรูปนั้นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตการอย่างนี้บ้างพระอรหันทย่อมยไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้หูและเสียงที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราเพิ่งมีหูเช่นนี้ได้ยินเสียงเช่นนี้ในอนาคตการเราเพิ่งมีจมูกเช่นนี้ ได้กลิ่นเช่นนี้ในอนาคตการเราเพึงมีลิ้นเช่นนี้รู้รสเช่นนี้ในอนาคตการเราพึงมีกายเช่นนี้สัมผัสโภทะพระเช่นนี้ไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้ใจและธรรมารมที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราเพึงมีใจเช่นนี้รู้ธรรมารมเช่นนี้เพราะไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอรหันต์จึงไม่เพลิดเพลินใจและธรมรมารมณนั้น เมื่อไม่เพลิดเพลินใจและธรรมรมนั้นพระอระหันต์นั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังในอนาคตการอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระอระหันย่อมไม่ตั้งใจเพื่อให้ได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจากเป็นเทพเจ้าหรือเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลวัดปฏิบัติหรือพรหมจันนี้เพราะการไม่ตั้งใจเช่นนั้นเป็นปัจจัยพระอระหันต์จึงไม่เพลิเพลิน พ, พบนั้น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 พระอาหารหันนั้นไม่ได้มุ่งหวังถึงตันหาและทิฏฐิในส่วนเบื้องปลายแปดสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าบุคคลผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่อ้อวดไม่โมขนพูดด้วยปัญญา ฟุง้งซ่านเป็นผู้สำรวมวาจานั้นแลชื่อว่าเป็นมุนีว่าด้วยเหตุเกิดความโกรธสิบอย่างคำว่าผู้ไม่โกรธในคำว่าผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งกล่าวไว้แล้วข้างต้นอนหนึ่งควรกล่าวถึงความโกรธก่อนความโกรธย่อมเกิดได้เพราะเหตุสิบอย่างคือหนึ่งเพราะสำคัญว่า ผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. เพราะสำคัญว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสเพราะสำคัญว่าผู้นี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราสผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา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 ความโกรธเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุนเคืองเคืองเคืองมากเคืนงตลอด ช, ชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุจร้ายิริยาที่คิดประทุจร้ายภาวะที่คิดประทุจร้ายความคิดปองร้าย คุณยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกลี้ยกราดความไม่แช่นชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้ตรัสเรียกว่าความโกรธอีกในหนึ่งพึงทราบความโกรธมากความโกรธน้อยบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ใจขุ่นมัวยังไม่ถึงกลับหน้าเงาหน้างอก็มีบางครั้งความโกรธ เพียงทำให้หน้าเง้าหน้างอแต่ไม่ถึงกับคางสันก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ครางสั่นแต่ยังไม่ถึงกับพูดคำหยาบก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้พูดคำหยาบแต่ยังไม่ถึงกับตาขวางมองทิศมองทางก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ตาขวางมองทิศมองทางแต่ยังไม่ถึงกับคว้าไม้คว้ามีดก็มีบางครั้งความโกรธ เพียงทําให้คว้าไม้คว้ามีดแต่ยังไม่ถึงกับเงืดเงื้อไม้และมีดที่ถือไว้ก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแค่ทําให้เงืดเงื้อไม้และมีดแต่ยังไม่ถึงกับลงมือฟาดฟันก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ฟาดฟันแต่ยังไม่ถึงกับทําให้เกิดบาดแผลก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทาให้เกิดบาดแผลแต่ยังไม่ถึงกับทาให้กระดูกหักก็มี บางครั้งความโกรธเพียงแต่ทําให้กระดูกหักแต่ยังไม่ถึงกลับทําให้อวัยวะขาดหลุดไปก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทําให้อวัยวะขาดหลุดไปแต่ยังไม่ถึงกลับทําให้เสียชีวิตก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ยังไม่ถึงกลับทําให้ดํารงอยู่เพื่อฆ่าตนเองก็มีเมื่อใดความโกรธทําให้ฆ่าบุคคลอื่นแล้วฆ่าตนเองเสียด้วย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 เพราะกาหนดรู้วัตถุแห่งความโกรธได้แล้วบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเพราะตัดเหตุแห่งความโกรธได้แล้วรวมความว่าผู้ไม่โกรธว่าด้วยผู้ไม่สะดุง้งคําว่าไม่สะดุง้งอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สะดุง้งหวาดเสียวหวนหวาดเธอย่อมสะดุง้งหวาเสียวหวนหวาดกลัวถึงความสะดุ้งว่า เราไม่ได้ตระกูลไม่ได้หมู่คณะไม่ได้อาวาดไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญไม่ได้สุขไม่ได้จีวรไม่ได้บินทะบาทไม่ได้เสนาสนะไม่ได้กีฬานัปัจจัยเภสัชบริคารหรือไม่ได้ผู้พยาบาลเวลาเจ็บป่วยย่อมสะดุ้งหวาเสียวหวั่นหวาดกลัวถึงความสะดุ้งว่าเราเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงปรากฏ พิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่สะดุ้งไม่วาดเสียวไม่วันวาดเธอย่อมไม่สะดุ้งไม่วาดเสวไม่วันวาดไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งว่าเราไม่ได้ตระกูลไม่ได้หมูคณะไม่ได้อาวาดไม่ได้ลากไม่ได้ยศไม่ได้สันเสริญไม่ได้สุขไม่ได้จีวอนไม่ได้บินทบาทไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ขี่ลานปัจจัยเภสัตบริคาร หรือไม่ได้ผู้พยาบาลเวลาเจ็บป่วยย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาเสียวไม่วันวาดไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งว่าเราเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงปรากฏรวมความว่าผู้ไม่โกรธไม่สะดุ้งว่าด้วยผู้ไม่อโอดพําว่าไม่อโอดไม่ขนองอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อโอดเป็นผู้อโอด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 สมบูรณ์ด้วยวิทยฐานะบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้คงแเก่เรียนบ้างสมบูรณ์ด้วยปฏิพานบ้างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วบ้างออกบวชจากตระกูลสูงบ้างออกบวชจากตระกูลใหญ่บ้างออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์มากบ้างออกบวชจากตระกูลมีโภคุสมบัติมากบ้าง <c oughs> เป็นผู้มีชื่อเสียงมียกกว่าครรภัตและบรรพชิตทั้งหลายบ้าง เป็นผู้ได้จีวรบิณธบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตประคันบ้างเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้างทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกระเถิบบ้างเป็นผู้เถือการอยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดบ้างเป็นผู้นุ่งข่มภาคบางสกุลเป็นวัดบ้างเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดบ้างเป็นผู้เที่ยวบินธบาทไปตามลำดับตรอกเป็นวัดบ้าง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 เป็นผู้ได้อากินจัญญาญตนะสมาบัตบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตบ้างภิสษุนี้ย่อมไม่อวดไม่อ้วดอย่างนี้คือเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับความอวดความโอ้อวดมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าผู้ไม่อ้วด ว่าด้วยผู้ไม่ขนองคำว่าความขนองในคำว่าผู้ไม่ขนองอธิบายว่าความขนองมือชื่อว่าความขนองความขนองเท้าชื่อว่าความขนองความขนองมือและเท้าก็ชื่อว่าความขนองความสำคัญในสิ่งที่มีควรว่าควรความสำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรความสำคัญในวิกาลว่าเป็นการ ความสำคัญในการว่าเป็นวิกาลความสำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษความสำคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษความขนองกริยาที่ขนองภาวะที่ขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความขนองอีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะเหตุสองอย่าง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 ไม่ทำความงดเว้นจากปานาติบาตเราทำแต่อธินนาทานไม่ทำความงดเว้นจากอธินนาทานเราทำแต่กาเมสุมิฉาจารไม่ทำความงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเราทำแต่มุสาวาทไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำแต่ปิสุนาวาจาไม่ทำความงดเว้นจากปิสุณาวาจาเราทำแต่พรุสวาจาไม่ทำความงดเว้นจากพรุสวาจา เราทำแต่สัมผัสปลาปะไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัสปลาปะเราทำแต่อภิชาไม่ทำอนาภิชาเราทำแต่พยาบาทไม่ทำอพยาบาท ค, ความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราทำแต่มิชฌาทิฏฐิไม่ทำสัมมาถถทิฏฐิความขนองความเดืด อ, อ ด, ดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้ อีกในหนึ่งความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ความขนองความเดือดร้อนจิตใจฟุ้งซ่านเกิดขึ้นว่าเราไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่ประกอบสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติปฐานสี่ไม่เจริญสัมมาปทานสี่ ไม่เจริญอิทิบาสีไม่เจริญอินรีห้าไม่เจริญพละห้าไม่เจริญโพชอชงเจ็ดไม่เจริญอริมักมีองแปดไม่กําหนดรู้ทุก์ไม่ละสมุไทยไม่เจริญมักเราไม่ทํานิโรธให้ประจักษ์แจ้งความขนองนี้ผู้ใดละได้แล้วเคลือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟเคออยยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ขนองรวมความว่าผู้ไม่โอ้โอวดไม่ขนองว่าด้วยปัญญาเรียกว่ามันตาคำว่าผู้พูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่ามันตาเพื่อความรู้ทั่วิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิมีวิเคราะห์ว่าผู้ใดกําหนดกล่าววาจาด้วยปัญญาแม้พูดมากแม้กล่าวมากแม้แสดงมากแม้ชี้แจงมากก็ไม่กล่าวถ้อยคําที่เป็นเรื่องพูดชั่วกล่าวชั่วเจรจาชั่วปราสายชั่วเล่าเรื่องชั่วฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าผู้พูดด้วยปัญญา ความฟุ้งซ่านในคำว่าไม่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรคือความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตใจกัดแกงความคิดวอกวนนี้ตรัสเรียกว่าความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกผเผาด้วยไฟเคยยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่ฟุ้งซ่าน รวมความว่าผู้พูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านว่าด้วยการสำรวมวาจาคำว่าบุคคลเป็นผู้สำรวมวาจานั้นแลชื่อว่าเป็นมูนีอธิบายว่าพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้และการกล่าวเทศเว้นขาจากการกล่าวเทศได้แล้วคือเป็นคนพูดจริงตั้งมั่นในความสัตว์มีถ้อยคำมั่นคงเชื่อถือได้ เมื่อกล่าวคำหลอกลวงชาวโลกและวาจาส่อเสียเว้นขาดจากวาจาส่อเสียได้แล้วฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทาลายคนหมูนีน้ฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมูโน้นเป็นผู้สมานคนที่แตกแยกกันหรือส่งเสริมคนที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสามะัคคีเป็นที่ชื่นชมยินดีในความสามะัคคี รื่นเริงในสมคีธรรมเป็นผู้กล่าววาจาพอให้เกิดความสมคีและวาจาหยาบเว้นขาดจากวาจาหยาบได้แล้ววาจาใดไร้โทษสบายหูน่ารักจับใจแบบชาวเมืองคนส่วนใหญ่ชอบใจพอใจก็กล่าววาจาเช่นนั้นและการพูดเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วพูดถูกเวลาพูดจริงพูดอิงอัด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 มีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่พิสุย่อมกล่าวคถาวัตถุสิบประการคือหนึ่งย่อมกล่าวอปิชชะคาถาถ้อยคำที่ชักนาให้มีความปรานาน้อยสองสันตุทิกระถาถ้อยคำที่ชักนาให้มีความสันโดษสามปวิเวกระคาถาถ้อยคำที่ชักนาให้มีความสงับกายใจสอาจังศัก ข, ขะคาถา ถ้อยคําที่ชักนําให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ 5. วิริยารมภักถาถ้อยคําที่ชักนําให้มุ่งมั่นทําความเพียร 6. ศีลกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในศีล 7. สมาธิกถาถ้อยคําที่ชักนําให้ทําจิตมั่น 8. ปัญญาคาถ้อยคําที่ชักนําให้เกิดปัญญา 9. วิมุติกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์สิวิมุตติญา ณ, ณาทัศนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ย่อมกล่าวสติปทานกถาสั ม, มประานกรถาอิทิบาทกถาอินทริยกถาภะละกถาผู้ชงครกถามรคกถา ผลละกถ า, านาิพพานกถาคำว่าผู้สำรวมวาจาได้แก่ผู้สำรวมเคร่งครัดคุ้มครองปกปกักรักษาสังวรส ง, งบคำว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วยิรยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ผู้ก้าว่งจิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีรวมความว่าบุคคลเป็นผู้สำรวมวาจานั้นแหลชื่อว่าเป็นมุนีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลผู้ไม่โกรธไม่จะดุง้งไม่โอ้โอดไม่ขนองผู้ด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้สำรวมวาจานั้นแลชื่อว่าเป็นมุนี Thank you. <coughs>